อิจานิพพันเตอิปมังตปาริวารังคตินาสุสังสังขตาคตินา a าราละอาการเลเยวะอุปนังอิริเสจการเลเยวังอุปนเนน s e n สเนนคตินาทารโหวัสสังพุทธานภิคู่นางภควัตตาอัล y ุญญาโตเยนะอ a กังข a มานาสะสัง a ตาคันจักปิตันเต อาณาแมนตะจาโรอสัปมาดาณาจาโรคณโภชนังยาวะตัถจิวารังยูจัตถะจิวารุปารุโสเนสังพวิสัตถิจตูสุติใหมันอิเกสุมาเซสุจิวารังกาโรมหันติกาโตพวิสติอิญาณิปนกสังโฆขังคติหนุโคคตินัทตารัง อุดาหงนาคังคติอาคังามาอัเดโคโคปนัเตกนันธาโรปะกวตาภูคารสะอัตตาระเวเนวะอัญญะโตนัญจตาระภูครสะอัตตาระอตตัโมเตกินนติวตา นาสั่งโวะกัโนวะกัถินังอัตถะระเตนสั่งโวะคัณโนวะกัถินังอัตถะระเตสั่งหัสสะจาคันะจากสัมภิยมุคาลเวะอัตถาราสั่งคัสสปิคันัสสปิตัสเสวะปุคาลสปิอัตตังโวไปกาถินัง อิตานิการสีมังกัทวีนังอัตถบริตุงโยจินน็อกจิวะโรวาจุปะละจิวะโรวาโยวาปะนาปุ a สะนิสติมัเิวะจิวะรักัมมังนิท้าเปตตาวาสบพิทมะนังอัปปาริภะเปตตาวากัทิีนังอัตถริตุงสมัทุขเวสสติ อิทัพเทสุอายสัมมาจิรัตโมสัพพะมหะลโกปะอุสุโตธัมมัทธโรวิญญาคารโรสัพพะราหะมัจจาริยังสันดัสสะโกสัมมาตะวโกสัมพุตเตชโกสำบะมังสะโกปะอุนังอจาริโยขุตวะโอวะตะโกอัมุสะสะโกสัมมัทธโฌจัตตังวิญญากรรมังอวิโกปะตวะกัตินังทะริตุง มัญญาหาเมวังสัพพยังสังโฆอิมังสปาริวารังกะจินักดุสังอายะสัมมาทิฏิระธรรมัสสะดะตุกามุตัสสงมิงกัสินังอจารเตสัพพยังสังโฆสมเดวาอะุโมติสาธิอายะสัมมาทิฏิระธรรมเสวะอิมังสปริวารังกะินักุสังดะตุงรุจเตวะนุวะ สัพพสิมัสสะสังขสะรุจติปันเตยยะติอายะสมโตจิระธรรมัสสะอิมังสปรมวารังกตินาตุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังขสะรุจติสาธุปันเตยสังโฆอิมังกตินาตุสัปปริวาระผูตังติจิวัง ว่าสาวสิกาติติคายะกหิเตวะอายะสมาโตจิระขามาเซวะอิมินาอปารุกานีนาดารัตุขัตินาดุสังปนาอปารุกานนาอิยาปมาณปิปนารูหิตทัศมาตังอิดานิยติดุติเยนะกัมเมนะอภูเพนะทานาระเฮนะ อายะสมะโตจิระธรรมะสะเดมาติกรรมสนิทานังการตานุ กันนสุสังอายะมะโตจิระธรมมาสะเดียกัินังอัจจาริโตเอสานญาติสุนารุเมผันเดสังโวอิดังสังอา a ักกัินนสุสังอุปนังสัโอิมังกินุสังายะสมะโตจิระธมมสะเติ กัจจินังอภิริตะยะโสยสมะโตขะมาติยิมาสกัินาลุสะสะยะสมะโตจิระธรรมะสะาตักัจจินังอภิริตะสุตุนัสสะยสนกัจจิสภาเสยาดินังยีด g งสัเดน กัทินาลุสังอายะสนาโดจิระธรรมะส a กกัทินังอัตตาลิตุงขัมติสังขัสตัสสัมมาตุนีเอวะเมตังสา เกษมทรัพย mm ์มาต่อยอดอีกหนึ่งมือบาทผูที่ไม่ทานก็คงเข้าใจอยู่แล้วอยู่ในใจตนเองปัจจัดตางรูปจำเพาะตนยิ่งในคำของพระพุทธเจ้าจะประกาศอยู่ก็ประกาศ่ในใจเห็นไหมเราในใจของเราเรารู้อยู่แล้ว ถ้ามาประกาศคนนไได้ประกาศคนนั่งไม่ได้ประกาศจะประกาศให้เยอะยกจอพวาควันเป็นเส้นยนจันเลยยกจอควาันให้งอถึงเส่นสิเป็นเส้นยันจันเลยมัดขนิทานยึดตู้ไปยึดตู้ไปจากทั้งนอกบริจาทัางใน จะโฉมจะติดปีนอ่อกโฉจะโจมทั้งใกล้ทั้งไกลมาทั้งต้นทั้งยอดที่ ท, ทางตมการรับทริจาคลูเป็นจำนวนกปูปัจจัยสองล้านหนึ่งแสสองม่ห้าพันเ้าร้อยสี่สิบหบาท คนไปอ่านไปแล้วคนพีนี่ทันมังตันนี่เสริมมาเขาโงเก็บคออยู่มาัางในตู้ใไนไรบ้านห้า<อ>้านไม่เอาไปไหนตอนอยอดให้หลวงปู่พระสงฆ์ ม, มานี่เขาไม่แก่ <c oughs> าะาก็บตู้ไอกรโอใหญ่ แต่ถูปัจจัยทุกปัจทัยตามเราเป็นระดกของพวกเราตลอดไปนานเท่านานเข้าสู่ตะวันนิพพานก็ยังส่งให้เราตึ้งสูงไปถึงสูงพระเทวีอยูพระวักกรมท่านไหนก็สูงส่งไปส่งไปพิจาอณาคนยกตัวอย่างเราสลายล่ามหนึ่งต่อมาทักเท่าไหรแล้วทักแต่เริ่มนุปูเริ่มจออกมาสมัยก่อนแต่ละวักต่างๆที่โน่นึงมาที่นี่ลงมาปฏิปัจจัยไม่กี่อยู่มีหัวสมุด มีจีวัดมีหมอคือเดียวเนี่ยมีครูบาอาจารย์บทาพ็ญบรรลกสมัยก่อนไม่เห็นความขหลวงปู่ยังตำแหน่งว่าโอ้พระผักรบเนี่มาทำลายมูจังไหนว่าจะตูปัจจัยไม่พอต้านพันล้านจะได้มาจากไหนเอามาแ บ, บ่งกันใชมนมนนงงน่มีกลัวม่นนี่พระบรรลุมาเสนอกอบหลวงปู่หลวงปู่เกยดเอาเลยมลายมูจังไหนจะเจตสมได้พ ปกครองโยกโยโยลูกหลานรักษาพรุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าหาลนะวงปูห้ามอะไรนั่นเพราะฉะนั้นไในคำทานเราทำไปแล้วอันดับต่อไปทำบุญรู้จักไหมมาวัดมาทำบุญถ้าหลวงปู่ไม่ขอกทำบุญเดี๋ยวก็จะว่าหลวงปูกก่ชีตัว ยกมือขึ้นแต่หัวมือท้ายบางคนตับมือขวาับมือท้ายปิดหูท้ายหัวปิดตาสองข้างปิดปากเสียบา้านแล้วนั่งดูบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ลมนั่งดูลมนั่งดูบุญนั่งทำบุญนั่งดูลมไม่ได้เรือบอกแล้วกี่ข้างข้างไหนก็บอกท ำ, ท ำ, ทำบุญทำบุญแต่ทำไม่ได้น่นเห็นว่ากิเลสอะ อเข้านี้ต้องทาใม้ได้ดูที่กหนึ่งนาทีจะเห็นไหมเห็นลมไหมดูลมเข้าลมบอนั่งตัวตรงตรง ยกมือแตะหัวฟังอีกทีหน่อยขออยากให้เข้าใจอยากให้รักษาแนวทางของพผมปู่กแม่ครูบาอาจารย์ <c oughs> รักษาบุญธรร ม, มาธิปไตยไม่แลี่ให้ทำโลกาธิปไตรู้จักไหมโลกาธิปไตยกับธรร ม, มาธิปไตยโลกาธิปไตยเป็นบาป มีมหาลอตบคบงานมีแห่บัลลํงก์ทรบโกมเข้าวัดเข้าว่าเป็นบาปให้สรวมกายก็มาด้วยความเคารอสังรวมวาจาก็อย่าพูดมากเข้าวัดพูดมากสิมขาดได้ยินไหมแค่นี้ทำไมทำไม่ได้รักษาวาจารักษาจิตใจก็ย้ข้าไปอีกแล้ว อยู่ในเสื้อมาแก่ ก, กันมิจจะรักษาใจรักษาใจมิแต่เสื้อรักษาแต่เรารักษาไม้หละ่ะทุกทุกมันอยู่ที่ใจเราใจเป็นนายตายเป็นบ่าวให้มีสติ บ, บอกว่าเข้าวัดแล้วนะให้สงบใจเยี่ยมให้ทําบุญเข้าวัดทําบุญเราไม่ทําจุดนี้ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดปัญญาเขาว่าอะไรก็เชื่อๆๆๆเชื่อเชื่อเห็นไหมละ่ะฟองเฟิร์สเฟิร์สเฟิรอยู่นี่ ถ้าทำมาละเอียดเป็นบาปทาให้พระยุ่งถ้าพระสงฆ์ไม่รีบกลับพระเก็บไว้เป็นอาบัติอะไรโยมก็ทําให้พระยุ่งเขาบอกแล้วเอาใจเดียวปีหน้าเอาใตเดียวแล้วแก่ม่โยมไม่เอาของเข้าวันก็เป็นบาปนะจากได้นั่นเหมือนเด็กนิ่งนิ่งแ น, น, นมากไปน้แงแกให้ตรงนี้คือยังไม่เล่นบอ กันเสียพายเพราะอะไรเพราะสนใจเราเพราะเราเข้าวัดไม่เข้าใจพว่าทําบุญพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้าได้มาว่าอะไรพระพุทธเจ้าเป็นสัจรูแล้วคาที่เราสถาปน์เป็นสัจรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ให้ทําให้ทําบุญให้ทําเวรานี่อริสง์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงเข้าใจไหมทั้งให้ทั้งบอกบอกก็คือให้ทําบุญ นี่แค <anto album cat fish> ่นี้ทำไมทำไม่ได้เหรอก็บอกตั้งแต่เมื่อวานนี่นะมาใส่บาตรตั้งอตั้งใจนั่งสมาธิยกมือเกินแต่งหวัลนกวนั่งรับตานดีกว่าไปแก้งกันใส่บาตรไม่เช่าหรือทายเทเทเทไรก็ไม่รู้เก็บังเก็บแอลนี่เลยเนี่ก็บอกม้วนน้องโกดจะโนโดนด้อ่ะจะโดนโดนใส่แล้วใสกิดม้วนบกว่าบาลยมือยงมีคุณติเอาไว้ปี้าเนี่ย เขมารวมกันที่วัดออกคนจะโจรทางใกล ja ้ทางจกลามารวมกันเขาจะไม่พอใจมาแล้วเขาพอใจเอามาแล้วไม่เห็นว่าเป็นตัวที่บ e ้านถานหน่อยหลวงปู <beautiful. S 1> <that> ่ไมเห็นว่ารั้นแล้วแห่อ้อมบ้านอันพระจ้าเลี้ยงแต่ให้แต่พวกพวกปู่ว่าอะเรพระขอกมาในวันไปไปตัวเบาถึงสวรรค์ไมพผ่านได้ก็ไปทำบุญถ้าไปทาบา ไาาาปอวัยวะภูมิทั้งสี่เปลี่ยนกลไกสัตว์ไรฉั น, าานทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นได้บาปมันยากจนตานทานแต่ทําบุญไม่ยากดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซื่อส บ, บายถ้าได้ซื่อนุ่มปูไม่บอกหรอกลมพาไปทั้งทาง น, นั่งตายไม่เที่ยงเกิดแล้วแกเตรียตายแต่ยินไหมล่อมทั้งดําให้พระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจได้เย็น พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานทําให้ใจของเรารู้บ้างตื่นบ้างเบิกบานบ้างเบิกบานในสิ่งในธรรมเห็นไหมเราทํากันหนึ่งนาทีเมื่อกี้เบิกบานไหมมีรักตรงไหนมีโรคตรงไห น, ม, ไหนมีเกิดตรงไหนดับไปหมดแล้วเห็นแต่ลมน่ะถ้าไม่มีลมใจกว่านี้ทําไมไม่รูห้หรออาหารใจครูเจ้าหามาใส่สําหรับพาทองคำํำไปด้วยนะ หาที่ไหนได้นะพรูเจ้าหาแทบล้มแทบตายมาสอนคนให้ปฏิบัติตามคำสอนของคูเจ้าเพื่อมันต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, มาตายโรงพยาบาลจะรักษาเก่งเท่าไหร่ก็ยังดูคือตายหายแล้วก็คือตายแต่โรงบานของครูเจ้าไม่ตายคือไม่เกิดถ้าไม่มีธรรมะข้อนี้อยู่ในหัวใจไม่มีพระสงหลอกก็สงฆก็เบือแล้วนะ ท่านทำให้หัวใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ว่างลขึ้นมาแล้ ว, ลวโลกวัฏโลกมีทูโูกแก้งโลกว่เป็นอูมของโ ล, ก, ลกมันมวุ่นวายเยินมัน้นหรือว่าชอพุ่นวายโคดรแลไ่ได้เย็นสุดทุกวันทุกวันะสะดุ้เมือมม่อภาคี่ตรแดนกัะฝนดูให้เมื่อ่าสะุ้เมื่อก้อนมิตรกินแล้วก็เลน่นนั่นเองอยากกินจยกเล่นอยากกินอยกเป็นกินเล่นทุกข์ทุกชาติาทุกข์ทุกติวน้อยเต้ มีบางคนบางชาติไม่รู้เป็นอะไร่ะคนทุกคนนะที่คนลลบริการระบายปวดหัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจเป็นคนบาสน่ะคนบุญคนก็มีสองอยา่างหนึ่งคนบาสสองคนบุญคนบาสใครต้องการนะขอส้มขอข้าวเต็มบ้านเต็มเมืองที่คนบริการฝ่าแผดล้างเทปตันขาติปตันหัวเทปกันมีย่งเิปกันเกิดคนตลอดเพราะ บ, บางคนนอนอยู่น้ำเตี้ยจนได้เกิดมาห ไปเลยเป็นหรอือว่าติเพนไปก็ได้นะเป็นใ้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระ้ะให้อธิษฐานแล้วยถว่าพระก็รับรอเป็นบาปหรือรับสินรับสินนั่นเนของคุณเจ้าถอนคนได้สินจะตามมาสอนคนไไหมลูกหลานนี่หลวงพ่อคิดว่าอาจจะได้สิคนม่เนาอเอาไปมาถึงร้อยอยู่แล้วนี่ ลูกหลานมาถือสินแวไม่ใช่ถือเฉพาะวันพระไม่ใช่เฉพาะถือเฉ พ, ะพาะภาษาใ้ถือตลอดเรียนจบนะหลวงพ่อจะช่วยพลัจากพ่อจากแม่คือส่งให้เรียนคาดเทอมถึงกับจบมหาไรน ม, มีลูกหลานอยู่ที่อังกฤษว่า น, นั้นจะเป็นด็อกเตอร์มสอนอยู่มหดน กเต๋อสอนทางพุทธศาสนาว่าทนัจะไม่ทําตัาเองผมก็ม er ีทุนบอกลูกเต๋วตั้งทุนเนยเลาแน่เลาแต่จบแเตราสอนพระพุทธศาสนาที่ทางตรงสอนศาสนาทาตรงนี้จะเทียวตั้งเวิรกจะเที่ยวหาแกบอกวาสอนทางตรงนู้จากมีทางตรงทางอ้อมมีทางเข้าบ้านเมื่อเมาึมีทางตรงทางอ้อมผู้มีปัญญาเขเข้าทางตรงเทเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ทำบุญใครว่าอะไรเชื่อเชื่อเชื่อ เลยวันถึงต้มถึงหล่อต้งคนอื่นได้หลอกก็เดินได้ผู้เสือก็เสือง่ายแท้กเพราะไม่มีบัญญาเพราะเข้าวัดไม่ทําบุญนี่ผลเสียหายนะเพราะเข้าวัดไม่ทําบุญเห็นั้มเห็นอยู่สดสดร้อนร้อนทุกวันทุกวันนั่งสมาธิหลับตาดีหัวไปแย่นกันไสบาเดนเพทออกเทออกกูเท่าดิเทบาผู้นพุ่ผเพราะว่าทําบุญตได้บไปบุญวเพราะว่าทำบุญติดยากแน่นหนาสงบนะ พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์กระททานเจรรูปจรวัฒน์ขอทยามแน่นหนาเรื่องความสงบไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะแยะเราก็ต้องเทศเพียงเราขอให้ทำแต่เดียวคือดูลมหายใจก็ออกแล้วจะเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญานะแถมสวามิวุฒิปัญญาไม่มีนัคนคำของพระพุทธเจ้าเอาคาของพระพุทธเจ้ามาพูดถูกความมาให้ชื่อง่อเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้ชื่อพระ ไม่เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่ออะไรินแต่ข่าวเราเรือมาไม่เชื่อะที่เขาพาทำมาพากไปขอบคุเจ้าดวงลูกหลานถ้าได้ดูได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องตามคาสอนของพุณเจ้าพยายามปฏิบัติเดือนมูเดือนพวะถ้าไปวั่นรำถวบคมในวัดนเป็นบาปนี่มาห่เราสถูกมันเอาดารานางเอกนานงามรูปโป๊ไปปวดในวัดก็เป็นบาปวัดที่ไม่ใช่วัดเน้ ว่าจะมีวัดขึ้นมาสร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องแสดงความสงบนิ่งชาวไทยเราพูดถ้าพวกเราไม่ช่วยกันรักษาใครจะรักษาพุทธบริษัทต์จิงสมันี้ถูว่าถูกุ่าที่ก้าวถูกวาถูกวือผู้ช้ายอุกาทกาคือผู้หญิงสิ่งไหนถูกต้องตามักคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยกันทำเตือนกันบอกกันนี่เดีน้อยเกี่ยกัเี่ยวนีวหนอยสบยินิดนเยหน่อยตวจหน้า ดิ่ันจบุญก็ได้หลงตัวไปเพราบอกทาบุญฮะโตเกิยนยิ่งกวกความตไม่มีความสมืสะมะมกอะมะกควมตระหงปัญญานะควารอบรู้ในกองสัมเรียก ว, ว่าปัญญาตัวนั้นสำคัญจึงไม่ได้ถอนากเพราะเราไม่มีการทาบุญด้วยนาทุนกุศลเราต้องไ้โีกราสเจน่อกตลอดทระเจะ้ากรเศรษฐาสละมา รวมกันเมื่แต่เมื่อวานนี้มีการประชุมไปแล้วอากตกของคุณปู่หลวงพ่อทมาไว้พหน้ากระถิ่งตอมีการประชุมปรึกษาหารือกานมีปัญหาเรื่องใจว่าใจมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันเมื่อวานนี้กอสาเร็จขับตัวล่องไปแล้วและวันนี้เราก็ทาทุกสิ่งทุกงสำเร็จร่วมไปดีแล้วเพื่ออำนาจคุณผ้สนพวกเราได้พากันทำเรานี้อำนาจคุณผส้สนของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิิททั้งหลาย ปรมารวมการจบผูกป่องผูกความกระตายเปคนได้โยกลูกหลานได้สิบพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าะส์จงมีตะวกมสุขจงมีสุขกายสุขใจเดินทางที่รวมเสร็จวมสบายตลอดปลอดภัยทงานจึงใด้เงินเงินจึงได้ปาจจณาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสาเร็จโดยเฉพาะในรลักทําทําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงความตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า แลต้องมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมากเห็นโกรเห็นตะ ว, วันเห็นปฏะนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดสาธุสาธุสาธุอะนุโมค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 าหานทาจักยท่ถสุขังปริปุญจันโตสาพระสมฆ์อักโรเออเห็นบอกจากว่าอักโกคือผู้หาวไหวพระสมฆ์อักขโรก็คนมกไม่ถึงแยกกันเมื่อตอนตาอะไรเลยสมเยใต้กระสมกรนอง และพระสุทายก็ไลาภพระพุนธนามพระสุตม์แลวมนีของที่เราได้ยามมาจากอังกิษผู้ใดคลอยเอาปสิเห็นี่เราไมีทางแน่ผู้ใดค่้อยเอาบอกกบบ้านก็ได้เเาาวรรรรุภล ทังวติทังตุนังทิพภะเมวัตภะเมจัตุเตเบรนโตตัสสะมจัโตเนระโตจัตามะนโต นี่ขันมาทำอะไรเอานี่หาอะไรเลยขันทัแตกต้องไช่ครับจะเราวันนี้รับงานทุกคนเสแล้ว